الله إ ท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสรัทะขัดขวางทางขอรนนั้นแน่นอนพวกลลากบิดอนนลลัน ي ل อัลดบดแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและขัดขวางทางขอรนนั้นแน่นอนพวกเขาได้หลงทางไปแล้วอย่างไกลบิดอินนัَลลี่น์คัฟรูและซดูอัน سبيل อัลลอฮฺดั้ ل ِ ي ลลู د ِ ي ลาลัยดา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 โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นเป็นสิ่งไงไ่ายดายแก่อัลลอฮ์เหลือเกินย้ายใ้ ا ั ن ا س قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفر ف َ إ ِّ ل ِ ل ه ِ مَا ف ِ ا ل س َّ م و َ ا ت ِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ ا ل ل َّ ع َ ل ي م ً حَكِيمًا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 يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم و ر و ح منه ف آ م ن و ا بالله ورسله َلَا تَقُولُوا ثَلَاثَهْ โอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายจงอย่าทำให้เกินขอบเขตในศาสนาของพวกเจ้า และจงอย่ากล่าวเกี่ยวกับอัลลอฮ์นอกจากเรื่องที่เป็นจริงเท่านั้นแท้จริงอัลมาเซียอิชาบุตรของมารยามนั้นเป็นเพียงศาสนาทูตของอัลลอ์และเป็นเพียงดำรดของพระองค์ที่ได้กล่าวแก่มารยามัมและเป็นเพียงวิญญาณหนึ่งจากพระองค์เท่านั้นดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดาศาสนาทูตของพระองค์เถิด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 และเพียงพอแล้วที่อัลลอเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุ้มครองเลย يستكِف المسيح أي ك و ن عبدا لله وللملائكة المقربون وَمَنْ ي َ س ْ ت َ ك ِ ف ع َ ن عِبَادَتِهِ و َ ي َ س ْ ت َ ك ْ ب ِ ر فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ ج َ م ِ ي ع ا المسيح นั้น จะไม่หยิงยะโสเป็นอันขาดที่จะเป็นบาวของเลาและมาลิกะผู้ใกล้ชิดพระองค์ก็ไม่หยิงยะโสด้วยและผู้ใดยหยิงยะโสต่อการที่จะเคารพสการะต่อพระองค์และยะโสแล้วพระองค์ก็จะส่งรวบรวมพวกเขาไว้อย่างพระองค์ทั้งหมด فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ف ي و ف ي ه م أجرهم و ويزيدهم من فضله، وأما الذين استكفوا ن واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، فيعذبهم عذابا أليمه ولا يجدون لهم من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 ผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาอื่นจากอัลลอฮฺโอ้มนุษย์ทั้งหลายแน่นอนได้มีหลักฐานจากพระผู้บานาของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าแล้ว และเราได้ประทานแสงสว่างอันแจ่มแจ้งลงมาให้แก่พวกเจ้าด้วยต م ا ل ذ ي ن آمنوا بالله و ا ع ت ص م و به ف س ي د خ ل م في رحمة منه و ف ض فسيدخلهم في رحمة منه و ض ل و ي ه د ه م إليه ص ط مستقيم ส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อล่และยึดมั่นต่อพระองค์นั้น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 فإن كانت اثنتين فلهما ل ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة ر ج ا ل ونساء فللذكر مثل ح ظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم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 แต่ถ้าหากปรากฏว่าพี่สาวหรือน้องสาวของเขามีด้วยกันสองคนทั้งสองคนนั้นแต่รับสองในสามของมรดกที่เขาได้ทิ้งไว้แต่ถ้าหากปรากฏว่าเขามีพี่น้องหลายคนทั้งชายและหญิงสำหรับชายจะรับเท่ากับส่วนได้ของหญิงสองคนเท่เราอส่งแจกแจงแก่พวกเจ้านั้นเนื่องจากการที่พวกเจ้าจะหลงผิดแล้วล้อนั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่ง